รู้นะท่านเปรียบชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับลูกธนูลูกธนูนี่มันจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราน้าวสายธนูเนี่ยเข้าหาตัวมากเพียงใดยิ่งเราดึงลูกธนูเข้าหาตัวมากเท่าไหร่เนี่ย พอปล่อยลูกธนูไปนิ่มก็จะพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลแต่ถ้าเราเน้าวสายธนูมาข้างหลังเพียงนิดหน่อยหรือว่าดึงลูกธนูเข้าหาตัวเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะเราคงนึกภาพออกนะว่าลูกธนูนก็ไปไม่ไกลนะอาจจะแค่สี่ห้าเมตรก็ตกแล้วอันนี้จะหมายความว่าไงมาข้อชี้อของเราเนี่มันจะเจริญก้อนหน้าได้เนี่ยเราต้องรู้จักถอยหลัง นะกลับมาที่ตัวเองกลับมารู้จักตัวเองกลับมาใส่ใจพัฒนาจิตใจของตัวยิ่งกลับมาที่ตัวเองมากเท่าไหร่กลับมาที่ใจของเรามากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าหรือก้าวไกลนะได้มากเท่านั้นหรือจะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้เนี่ยจะสูงได้นะมันก็ต้องมีรากที่ลึก ลำต้นนี่มันพุ่งไปขึ้นฟ้าแต่ว่ามันต้องอาศัยรากที่อย่างลงดินไปคนละทิศเลยนะลำต้นกับรากเนี่ยแต่ว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันรากลึกเท่าไหร่ก็จะช่วยเป็นฐานให้ลำต้นเนี่ยสามารถทิศทะ ย, ยานขึ้นไปสูงสูงขึ้นสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ารากตื่นนะ แม้ตนมาจะทะยานขึ้นสูงแต่ว่ามันก็เสี่ยงละเพราะว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ลมก็ยิ่งแรงถ้าเจอลมแรงๆเจอพายุก็อาจจะโค่นได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่ามีรากที่ลึกเจอพายุซัดกระหน่ำยังไงลำต้นก็ยังพอทานไหวอันนี้ก็เหมือนคนเรานะคนเรายิ่งมี ความรับผิดชอบมีการงานที่สูงขึ้นเราก็ยิ่งจําเป็นจะต้องมีฐานภายในที่มั่นคงและอย่างลึกเราทุกคนก็ล้นแต่ปรารถนาอยากจะให้ชีวิเรานี่มีความสําเร็จมีความเจริญก้าหน้ามีตําแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นราชการก็อาจจะอยากจะไปให้ถึงปลัด ก, กระทรวงหรือว่าถ้าเป็นนักธุรกิจก็ อยากจะเป็นซ e อเป็นตำแหน่งสูงสุดนะยิ่งมีบริษัทมีลูกน้องมีผู้ใตาบา้บังคับบัญชามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพอใจเท่านั้นแล้วเราก็มองว่าทำยังไงถึงจะให้เราประสบความสำเร็จมันก็มีハウทูแย่ๆเป็นหมดนะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการงาน แต่พวกเราซึ่งเรียนที่ดีศาสตร์นะก็มีคำแนะนำนะในการที่เราจ ะ, าจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะอาจจะไม่ใช่ราชการอาจจะเป็นในทางธุรกิจนะมันก็มีคนแนะนาเยอะแยะนะแต่สิ่งที่มักจะมองข้ามไปก็คือนะการให้ความสำคัญกับฐานใจนะฐานใจก็เปรียบเหมือนกับรากของต้นไม้ที่มันสำคัญมาก ถ้ามีฐานใจที่ลึกมาเท่าไหร่ก็จะทำให้เรามีความมั่นคงในชีวิตในการงานยิ่งมีตำแหน่งที่สูงเท่าไหร่ก็จะมีคนหมายปองก็จะมีแรงกดดันเยอะอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกระลมพายุความรับผิดชอบยิ่งมากนะถ้าใจไม่เข้มแข็งก็จะเครียดก็จะกลุ้มอกกลุ้มใจได้ง่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่ารู้สึกภาระมันหนักเหลือเกิน ยิงถูกวิพากวิจาร์นะซึ่งเป็นธรรมดาของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆนะเห็นชัดนะก็ต้องเป็นเป้าสายตาเป็นเป้าที่โดดเด่นของคำวิพากวิจารนะ์ถ้าไม่มีฐานใจที่ยังลึกไม่มีสตินะไม่มีปัญญาที่จะรับมือกับแรงกดดันต่างๆเหล่านี้นะ้ความสำเร็จหรือว่าตำแหน่งสูงๆก็กลายเป็นทุกขลาบนะรู้จักคาว่าทุกขลาม ก็คือลาบที่มันทําให้เป็นทุกขนะ์นะะคนที่มีทุกขลาบแบบนี้ก็เยอะเป็นหมดโนะดยเพาะยิ่งตอนที่หมดจากตําแหน่งหรือว่าหลุดจากอํานาจนะทําใจไม่ได้นะคือรู้จักแต่ขึ้นเขานะแต่ลงเขาไม่เป็นซึ่งมันยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคนที่ประสบความสำเร็จในการงานเนี่ยก็มหมือนคนที่ขึ้นไปถึงยอดเขา เขามันก็มีหลายลูกนะลูกบางลูกก็เตี้ยบางลูกก็สูงนะทุกคนก็อยากจะขึ้นไปถึงยอดแต่พอถึงแล้วเนี่ยไม่ได้ตระหนักว่าสักวันหนึ่งก็ต้องลงลงตามอายลุลงตามวาระหรือว่ากเกษียนนะทําใจไม่ได้ก็กลุ้มใจบางทีก็ตายเร็วนะเพราะว่าชีวิตมันรู้สึกเคว้งคว้างอันนี้ก็เป็นผลยากการที่ไม่มีฐานใจ ที่มั่นคงดัง้นพวกเราเนี่ยนะาการที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะมันเป็นการที่เรียกว่าเสริมสร้างฐานใจให้เข้มแข็งเป็นการบำรุงเลี้ยงรากภายในใจของเราให้มั่นคงอย่างลึกซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จ ะ, ะรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะตามมาตามฐานะ ตามตันแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไว้แล้วว่าต้นไม้เนี่ยมันรากของมันอต้นของมันนี่มันก็ทะยานขึ้นฟ้าเนี่ย่ะที่รากนี่มันก็หยั่งลงดินก็หมายความว่าเวลาเราจะทําแล้วก็ตามเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาที่ใจของเราธรรมชาติของเราเนี่ยมักจะมักจะส่งจิตออกนอกะส่งจิตออกนอกในที่นี้หมายถึงว่า ไปสนใจกับสิ่งนอกตัวหรือว่ารวมไปถึงปล่อยใจลอยปล่อยใจลอยนี่ก็ถือว่าส่งจิตออกนอกเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยเราจะเราจะส่งเราจะส่งจิตหรือว่าให้ความสําคัญพุ่งไปที่ข้างนอกตัวจนบางทีเราลืมกลับมาดูที่ใจของเราซึ่งสําคัญมากนะมันขาดมันแยกจากกันไม่ได้ จะส่งตีดอกนอกจนลืมดูใจของตัวอันนี้ก็เท่ากับว่าเราปล่อยใจให้เปิดโล่งไม่มีกาดปพูดไปแล้วนะวันก่อนว่าใจเราเนี่ยมันต้องมีสิ่งป้องกันร่างกายเรามีมือมีเท้านะป้องกันคล้ายๆเป็นเป็นเครื่องป้องกันภัยเป็นกาดนะใจเราเนี่ยใจเรามีกาดนหะใจเรามีสิ่งที่ป้องกันระวังไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นไหม ยิ่งส่งจิตออกนอกบัตรไหลเนี่ยก็ถกับเปิดใจของเราให้โล่งอะไรๆก็สามารถจะเข้ามาเล่นงานได้เราต้องกลับมาหมั่นดูใจของเราอยู่เสมอไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบรตัวเราเอาพวกเราคงรู้จักพุทธศาสนานิกายเซนนิกายเซนนี่เอาก็เป็นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนานิกายเซนที่เรารู้จักเนี่ยสามารถจะสืบสาวไปถึงปรามาจารย์ท่านหนึ่งก็คือท่านเวลงัง ท่านในหลังนี้ก็เป็นเป็นพระจีนนะเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วท่านนี้เรียกว่าเป็นเป็นปรมาจารย์ของเซนที่เรารู้จักในปัจจุบันประวัติของท่านมีเกรดเยอะนะแล้วก็มีเรื่องเล่าตอนหนึ่งที่พูดกันมากนะก็คือตอนที่ท่านไปวัดวัดหนึ่งนะแถวกวางตุง้งก็มีพระเนี่ยกําลังถกเถียงกันทีแรกก็สองลูกนะ รูปหนึ่งพูดขึ้นมาว่าท่านมองไปที่ธงแล้วก็บอกเออธงมันปลิวสวายอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าใครว่าละลมพัดต่างหากมันไม่ใช่ธงปลิวสวยแต่เป็นลมพัดไหวต่างหากก็เลยเกิดการถกเถียงขึ้นที่แรกก็ถกเถียงกันสองรูปตอนหลังก็มีพระเข้ามาร่วมวงนะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งเถียงกันนะก็ยิ่งหน้าดำคลําเครมนะจนทั่งเริ่มเกิดอารมณ์ละ จากการถกเถียงในเชิงปรัชญานะีก็กลายเป็นเรื่องของการที่จะเอาชนะกันเกิดความคุนข้องมองใจนะก็เบิ้งท่านเวียหลังนะตอนนั้นก็ยังเป็นพระพระพระปุ่นน้อยนะท่านได้ยินท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าจิตของผู้ท่านต่างหากที่ไหวนะบอกก็ว่าทั้งหมดนี่ตะลึงเลยนะเพราะว่าไม่ได้คิดมาก่อนเอาแต่ถกเถียงกันว่า ทงไหวหรือลมไหวจะลืมดูใจของตัวว่าใจมันไหวมันกระเพื่อมแล้วนะกลังถูกความโกรธครอมงำานะี่ยกำลังจะ เ, เกิดโทสะอยากจะเล่นงานกันแลวอันนี้เรียกว่าสนใจแต่สิ่งภายนอกจนลืมดูใจของตัวไอการถกเทียงเรื่องทงไหวหรือลมมันไหวนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะแต่ก็อย่าลืมดูใจของเราว่าเนี่ยใจของเรามันกระเพื่อมหรือ ย, อยัง อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเป็นเกรดที่สอนใจเราได้มากว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเรานะไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องอะไรก็ตามอย่าลืมกลับมาดูใจนะแล้วถ้าเราลืมลืมดูใจแล้วเนี่ยนะเราก็จะเปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำแล้วพอมีความทุกข์ครอบงํานะแทนที่เราจะมองกลับมาที่ตัวเองนะว่าใจเราไปเปิดช่องเผลอให้มัน เข้ามาเล่นงานจิตใจเราเรากลับไปโทษคนอื่นนะว่าทำให้เราทุกข์อเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมีความโกรธมีความเสียใจนะเรามักจะโทษคนอื่นนะแต่เราลืมดูใจของเรานะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะมองว่าคนอื่นเป็นปัญหาไม่ใช่เราเป็นปัญหาซึ่งอันนี้เนี่ย ม, มันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาม า, มากมาย มันมีเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิดที่ดีนะมีผู้ชายคนหนึ่งแก่โทรสับไปหาไปหาหมอมันบอกคุณหมอภรรยาผมเนี่ยรู้สึกว่าจะหูตึงนะเพอเพอรหูหนวกด้วยหมอก็บอกว่าให้คุณเรามันไม่ใช่หูหนวกทันทีทันควันนะมาให้หมอตรวจหน่อยนะหมอจะมาได้วันไหนอคุณจะมาได้วันไหนหมอจะหมอจะตรวจได้วันไหน หมอาบอกว่าวันจันโอ้วันนี้วันศุกร์นะมันอีกต้องสองสาวันมันช้าไปเดี๋ยวภรรยาผมอาการจะหนักกว่านี้นะคุณหมอมาหาได้ไหมมาตรวจได้ไหมหมอก็บอกามาไม่ได้งั้นก็ตรวจกันทางโทรศัพท์ก็แล้วกันนะก่อนนีหมอก็เช็กก่อนนะว่าภรรยาหูตื่นแค่ไหนอตอนนี้คุณอยู่ไหนอตอนนี้ผมอยู่ห้องนอนภอรรยายอยู่ไหนอยู่ห้องครัว เอาคุณลองเรียกชื่อภรรยาซิสามีก็เรียกชื่อภรรยาสมศรีสมศรีแล้วก็ตอบมาที่หมอว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาไม่ได้ยินภรรยาไม่ได้ยินเอางั้นคุณไปที่หน้าห้องนอนแล้วก็ตะโกนเรียกภรรยาแล้วก็ตะโกนอีกสมศรีสมศรีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นคุณเดินไปหาภรรยาแล้วนะ่แล้วก็ตะโกนอีกทีนะเรียกชื่อภรรยาสมศรีสมศรีเขาก็เรียกนะก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอท้าตอนนี้คุณอยู่ไหนละตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องครัวแล้วเห็นภรรยานะหันหลังอยู่นะกำลังล้างจานอยู่นะอา้าเรียกใหม่ซิแกก็เรียกสมศรีสมศรีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอเลยแนะ่ว่าให้ไปเรียกใกล้ แก่ก็เลยนะไปไปแตะไหลเลยนะคราวนี้ไปแตะไหลของภรรยาแล้วก็ตะโกนใส่หูอย่างแรงเลยนะสมศรีสมศรีคราวนี้ได้เรื่องเลยนะภรรยาหันขวับมาเลยท่าทางหงิ ด, ดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรต้องการอะไรนะคุณตะโกนเรียกชื่อฉันก็หลายครั้งแนละ้วฉันก็ตอบทุกครั้งว่ามีอะไรหรือฉันตอบทุกครั้งแต่คุณก็ก็ยังตะโกนอย่าง สงสัยคุณหูตึงแล้วมัง้งนะน่าจะไปหาหมอได้ล้วตกลงใครหูตึงนะสมศรีหรือว่าสามีนะนะสามีหูตึงนะแต่ไปเข้าใจว่าภรรยานี่หูตึงเพราะว่าตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่พูดไม่ได้ยินที่จริงภรรยาก็ตอบนะแต่เขาไม่ได้ยินในงล่ะฮเพราะเขาหูตึงนะหูตึงแต่ไปหมองบาคนอื่นนะหูตึงหูหนวกนะ เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวลามีปัญหานะมีความมีปัญหาความขัดแย้งกันนะเรามักจะมองว่าคนอื่นะเป็นปัญหาไม่ใช่เรานะแล้วเราก็เอาแต่ชี้นิ้วนะโทษคนอื่นแต่เวลาเราชี้นิ้วเนะี่ยเวลาเราชี้นิ้วโทษคนอื่นเนี่ยสังเกตไหมว่านิ้วข้างหนึ่งเนี่ยนิ้วหนึ่งเนี่ยชี้ไปที่เพื่อนแต่อีกสามนิ้วชี้มาที่เรานะ ทุกครั้งที่เรากล่าวโทษใครเนี่ยลองนะลองมองดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะปัญหาจะอยู่ที่เราก็ได้พระเจ้าเนี่ยท่านเคยตรัสเป็นคาถาใ น, ในธรรมบทนะท่านบอกว่ามือที่มือที่มีแผลนะมือที่ไม่มีแผลเนี่ยจับต้องยาพิษยังไงก็ไม่เป็นอันตราย ยาพิษนี่เป็นอันตรายใช่ไหมแต่ถ้ามือไม่มีแผลนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นอันตรายต่อเมื่ออะไรต่อเมือ่อมือเนี่ยหรือนิ้วเนี่ยมีแผลเมื่อมีแผลนะพิษมันก็สามารถจะซึมเข้าไปในร่างกายได้อันนี้ท่านกำลังจะบอกว่าอะไรท่านจะบอกว่าถ้าหากว่ามือเราเนี่ยเรียบร้อยดีนะ๋ยวว่าแต่อยวว่าแต่ จับต้องอะไรเลยแม้กระทั่งตับจับต้องยาพิษก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอันตรายแต่ถ้ามือเรามีแผลเสร็จแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ยาพิษเลยนะแม้กระทั่งใบหญ้าหรือว่ายอดยาก็สามารถทิ่มให้เจ็บได้ในเวลาเรามีความทุกเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าสิ่งภายนอกหรือว่าคนอื่นอันนั้นเป็นปัจจัยปัจจัยรองปัจจัยรอง ไปจันหละคือว่าใจเรามันมีแผลใจเรามีแผลเนี่ยนะมันก็ทําให้ความทุก์เนี่ยซึมหรือว่าแทรกเข้ามาย่ํายีบีทาจิตใจเราได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดเรารักษาใจเราให้ดีไม่มีแผลไม่เปิดช่องนะแม้ว่าเขาจะด่าเราเขาจะว่าเรานะนก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคําพูดของเขามันก็มาหยุดที่หูเราเท่านั้นแหละมันไม่ไปต่อมันไม่สามารถจะทะลุทะลวงมาทิ่มแทงจิตใ จ, จของเราได้งันถ้าเราทุกข์เนี่ยนะพอคําพูดของใครก็ตามนะนั่นแสดงว่าใจของเราเนี่ยร่วมมือด้วยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือว่าเปิดช่อง เช่นเอาคําของเขาคําพูดของเขานี่มาคุ้นคิดนะแทนที่จะปล่อยแทนที่จะวางเอามาเก็บเอามาคิดนะคิดแล้วก็แคร์และยิ่งแค้นก็ยิ่งคิดนะแล้วยิ่งจะโทษใครดีสมัยหนึ่งเนี่ยนี่มีเรื่องในสมัยพุทธกาลนะมีพรามคนหนึ่งเนี่ยนะไม่พอใจพระพุทธเจ้าเพราะว่า บริษัทบริวารเพื่อนพ้องนะที่เคยนับถือเขาเนี่ยแห่ไปนับถือไปศรัทธาพระพุทธเจ้านะเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านสามารถจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้ดีกว่าเขาก็ไม่พอใจก็ตามดาพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละตามดาเห็นที่ไหนก็ว่าเห็นที่เห็นที่ไหนก็ต่อว่าดาทอ แต่พระองค์เนี่ยก็นิ่งสงบนะมนะไม่มีอาการาหงุดหงิดแค้นเคืองแล้วก็ไม่ตอบกลับด้วยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระองค์เห็นว่ า, าน่าจะสอนธรรมะให้กับพรามคนนี้ก็เลยเดินเข้าไปหาพรามนะซึ่งเพิ่งต่อว่า พระองค์ยกยกแล้วพระองค์ก็ถามพราหมณ์คนนี้ว่าพรามณ์เคยมีคนมาเยี่ยมท่านไหมที่บ้านพราม์ก็บอกว่ามีสิข้าพเจ้าไม่ใช่คนสิลายไม่ตอบนะมีคนนับหน้าถือตาข้าพเจ้าเยอะก็มีคนมาหาอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเมื่อมีคนมาเยี่ยมท่านทําอย่างไรข้าพเจ้าก็เอาน้ําเอ า, เอาของมาต้อนรับ พงก็เลยตอบก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดอาการตุกตานนเนี่ยไม่รับน้ําไม่รับของนั้นของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็ตอบว่าก็เป็นของข้าพเจ้าสิจะเป็นของใครได้อย่างไรพระเจ้า ก, ก็เลยสบโอกาาก็เลยพูดว่าฉันแรกก็ฉันนั้นพราหมณ์ท่านว่าเราท่านตอบว่าเราแต่ถ้าเราไม่รับคําด่าว่าของท่านคําด่าว่านั่นจะเป็นของใคร พรามก็อึ้งเลยนะคือพระเจ้าไม่โกรธเนี่ยเพราะว่าพระองค์ไม่เอาคำไม่รับคำต่อว่าของเขาเขาจะด่าว่าท่านยังไงพระองค์ใจของพระองค์นี่ไม่รับได้ยินนะพระองค์ได้ยินแต่ใจไม่รับใจไม่รับนะก็ไม่ทุกข์นะยิ่งด่าไปก็เท่ากับยิ่งประจานตัวเองนะถ้าเราทุกข์แสงว่าใจเราเนี่ยนะมัน มันรับนะเอาคําของเขามาเล่นงานใจของเรานะก็คือไปยึดติดนะกับคําพูดของเขานะแต่ถ้าเราไม่สนใจนะคําพูดเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายใช่ไหมมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวคนพูดเองถ้ามีคนหนึงเขเปรียยนทิศไว้ดีนะเขาบอกว่าคําด่าเนี่ยก็เหมือนกับจดหมายนะที่ที่ ที่หยอดลงตู้แต่ไม่มีผู้รับนะเวลาจดหมายเนี่ยนะเราเขียนจดหมายถึงใครถ้าเกิดว่าไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าเนี่ยจดหมายจะไปไหนกลับมาหาเราใช่ไหมนั่นแหละจดหมายจะกลับมาหาผู้ส่งนะถ้าฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยถ้าเราใครเข้าว่าเราแต่เราไม่สนใจไม่รับ ใช้คำด่า ว, ว่าของคนนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเขาเองเปลียนไปไม่ต่างจากคนที่อถมน้ําลายลถฟ้านึกภาพออกไหมถมน้ําลายลดฟ้าเนี่ยแล้วน้ําลายมันไปไหนน้ำลายมันก็ตกมาเปื้อนหน้าของคนถมคนถมน้ําลายนั้นนะเราต้องทำตัวเหมือนฟ้านะทําตัวเหมือนฟ้าคือว่าไม่ว่า มีอะไรนะเกิดขึ้นก็ตามฟ้าก็ยังเหมือนเดิมเพราะพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเคยสอนพระราหุนนะพระราหุนเนี่ยท่านเป็นเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะตอนหลังก็มาบวทเป็นเนรพุทธเจ้า ก, ก็สอนให้พระราหุนเนี่ยเรียนธรรมะจากดินน้ำ ไฟลมคือให้ทำใจเนี่ยเหมือนกับดินน้ำไฟลมทำใจยังไงก็ทางพู้เจ้าอธิบายว่าดินเนี่ยไม่ว่าใครจะทิ้งทิ้งขยะทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในดินดินก็ยังเป็นดินดินก็ไม่เคยปฏิเสธนะแล้วก็ไม่เคยต่อว่านะคนที่ทิ้งน้ำเนี่ยลำห้วยลำทาน จะโยนขยะจะโยนปฏิกูลไงน้ําก็ยังเป็นน้ําอยู่นะก็ไม่ก็ไม่แปรเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้รังเกียจจงเกียจจงชังนะคนที่ทิ้งลมเนี่ยมันก็พัดผ่านไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ที่สะอาดหรือว่าที่ที่สปกปรกนะปฏิบัติต่อทุกสิ่งเหมือนกันหมดไฟก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าเชื้อมันจะเป็นเชื้อที่ดีเชื้อที่ต่ําต้อยหรือเป็นปฏิกูล ก็เผาเหมือนกันหมดไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติของของไฟให้เป็นอื่นเป็นเลยนะพวกง่า็คือว่าให้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงและเป็นอุเบกขาต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามานะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเราฝึกใจของเรานะดยการที่เริ่มต้นกลับมาดูใจของเราอยู่เสมอ การที่เรากลับมาดูใจเนี่ยนะของเรากลับมารับรู้ความรู้สึกของเราอยู่เสมอนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบไม่ว่าเสียงมันจะมาทางไหนนะไม่ว่ารูปนะมันจะอยู่ที่ใดเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงอย่าลืมกลับมาดูใจเสมอเวลายุงกัดเนี่ยนะเราใจเรามันมันมองไปที่ยุงใช่ไห ตาเราไปเพ่งที่ยุงไปรับรู้ที่ความรู้สึกที่แขนที่ขาตาเราเคยกลับมาดูใจเราไหมใจเราเป็นยังไงนะใจเราทุกข์แต่ก่อนทุกข์นี่มันเป็นยังไงนะก่อนที่จะเกลียดก่อนที่จะโมโ oh หยุงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความขยะกขยแยงนะอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบอยากจะผลักใส ยู่ไม่ทันเกาะเลยนะแค่เห็นมันบินว่อนเนี่ยก็รู้สึกไม่ชอบรู้สึกผักไสแล้วเรารู้ไหมว่านั่นนะคือสิ่งที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ทันยุงยังไม่ทันจะเกาะไม่ทันจะทิ่มเราเลยนะแต่เราเป็นทุกข์ละเป็นทุกข์ที่ไหนเป็นทุกข์ที่ใจเพราะใจไม่ชอบใจผักใส่นะไอ้ตรงนี้นะมันก็คือปัญหาด้วยนะแล้วเราก็ไปโทษยุงนะ แต่ยุงยี้ไม่ทันจะทำอะไรเรเลยยู่ยีไม่ทันจะเกาะเราเลยไม่ทันจะทิ้มเราเลยแต่เราเป็นทุกข์แล้วเพราะอะไรนะเพราะใจเราไม่มีสตินะใจเรานะปล่อยเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดความกลัวมันเข้ามาเล่นงานจิตใจให้เราหันมาดูใจของเราบ้างนะไม่ว่าจะเห็น สิ่งต่างๆทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นหรือว่าสัมผัสทางกายอันนั้นเป็นสิ่งที่เราบ่อยครั้งปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่จะช่วยเราได้คือกลับมาดูใจใจเรารู้สึกอย่างไรนะต่อสิ่งที่เห็นต่อสิ่งที่ได้ยินนะมันจะช่วยทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยนะไม่ว่ามันจะมันจะมันจะเสียดแทงกายเราอย่างไรนะมันจะบีบคั้นกายอย่างไร แต่ว่ามันไม่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ได้นักภาษาอะไรก็คําพูดซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดความปวดหูนะหรือว่าปวดกายอยู่แล้วเพราะมันเป็นเพียงแค่ลมปากแต่ทําไมใจเราทุกข์นะเพราะเราไปไปรับเอาคําเหล่านั้นมาอย่าไปรับนะอย่าไปรับคําเหล่านั้นมาถ้าจะรับก็รับอย่างผู้มีปัญญาคือ พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมนะมีประโยชน์ไหมเนะช่นคำวิพากษ์วิจารบางทีมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เรารู้ว่าเร า, าผิดพลาดตรงไหนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในการที่ใช้คำวิพากษ์วิจารให้เกิดประโยชน์พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ชี้ผุมผู้ที่ชี้โทษหรือทักท้วงเราเนี่ยนะ คือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์นะพนะระงตัดอย่างนี้เลยนะว่าให้ถือว่าผู้ที่ทักท้วงนะผู้ที่ต่อว่าหรือขนาบนะใช้คําว่าขนาบเนี่ยเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์นะถ้าเรามองแบบนี้เราได้กําไรคือหนึ่งเราไม่ทุกข์สองเราได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ไม่วางใจแบบนี้นะแม้เขาจะพูดด้วยเจตนาดี เขาจะแนะนำเราด้วยความหวังดีเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือเพื่อนแต่เรากลับทุกเรากลับโมโหและเราไม่ได้อะไรจากคำแนะนำคำทักท้วงนั้นเลยอย่างนี้เรียกว่าขาดทุน2ต่อคือใจก็ทุกนะน้อยใจโกรธแล้วก็ไม่ได้อะไรนะที่เป็นสาระแต่ถ้าเกิดว่าเราอมองมองความทุก์ อะมองคำพูดเหล่านี้ให้ดีมีท่าทีถูกต้องนะเราไม่ทุกข์นะและเราได้ประโยชน์ได้สาระนะหลายคนเนี่ยนะจะว่าไปเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนที่เดินไปในสวนมะพร้าวนะมีลิงเกเรเนี่ยมันเห็นคนเดินมันก็แกล้งนะมันก็เอามะพร้าวคว้างมาที่ คนคนนั้นถ้าเราเป็นคนคนั้นเนี่ยเราเห็นมะพร้าวคว้างมาเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะเอาหน้ารับไหมเราจะเอาตัวรับไหมหรือเราหลบถ้าเราฉลาดเราก็หลบใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่นี่นะเวลาเจอคําด่าคําว่านี่เอาตัวตนเข้ารับเต็มที่เลยบางทีเขาพูดถึงคนอื่นนะแต่เราโกรธถาว่าเขาว่าเราอันนี้ก็เปรียนเหมือนกับผู้ชายคนที่เจอลิงคว้างมะพร้าว แทนที่จะหลบนะเอาตัวเอาหน้ารับนะอันนี้เอาหน้ารนะับไม่พอนะเจ็บใช่ไหมก็ต้องการแก้แค้นก็เอามะพร้าวลูกนั้นเนี่ยคว้างใส่ไปที่ลิงอย่างนี้เรียกว่าฉลาดใช่ปนะทางที่มะพร้าวนี่ถ้าเราเก็บเอาไปฉอกินนะมันก็ได้น้ำได้เนื้อใช่ไหมไอ้คนฉลาดเนี่ยหนึ่งเจอลิงขว่างมาเนี่ยเาหลบ สองเขาจะไม่เอามาเพ้าค ว, ว้างกับใส่ลิงก็จะมาเพลากลับบ้านนะเพราะมันมีประโยชน์ถ้าฉันใจก็ฉันนั้นเวลาใครว่าเราใครตอว่าวิจารณ์เราเนี่ยเราต้องรู้จักหลบนะอย่าไปรับเอาคําเหล่านั้นมาให้ให้เปลืองตัวให้เจ็บตัวไม่รับในที่นี้หมายถึงไม่เอาหน้ารับไม่เอาตัวตนออกรับแต่ว่าเอา สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมาใช้ให้ใหเป็นประโยชนนะ์เป็นประโยชน์ได้มีข่าบดีเศรษฐีเจ้าของเมืองโบราณซึ่งเสียชีวิตไปแล้วคุณเล็กพิริยพันธ์พูดไว้ดีมากพูดว่าวันไหนไม่สุตหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะคือสาหรับคุณเล็กเนี่ยคำตำหนิเป็นมงคลนะเพราะว่ามีประโยชน์อย่างน้อยก็ช่วยทำให้เห็นว่าตัวเองนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง หรือจะใช้คําตําห น, นะเนา Eagle, าิเป็นการลดอีโก้ลดอัตตาก็ได้เป็นการลดอัตตาตัวเองเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยนะเขาจะมีแต่คนปัจจุบันแจงชื่นชมสรรเสริญจนกระทั่งบางทีคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาถ้าพอมีคนตําหนิบ้างเออมันก็ทําให้เราตอนหนักว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่มีผิดมีพลาดได้ถ้าเราควรจะมีท่าทีแบบนี้นะต่อ ความวิพากษ์วิจารนะ์คือไม่อันเช่นนีคือไ ม, ไม่ไม่รู้จักหลบนะไม่ให้มันเนี่ยมาทำร้ายจิตใจของเราแต่ขณะเดียวกันก็เอามาใช้ประโยชน์ด้วยการพิจารณาไคร้ครวนอย่างมีโยนิสมะสิการนะถ้าเรามีสตินะเราจะเราจะไม่ไปเผลอแบกเผลอรับเอาความทุกข์จากภายนอกเนี่ย เข้ามาไ ม, ไม่ไม่จำเป็นเฉพาะคำพูดนะแต่รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะแต่ถ้าเราโง่เมื่อไหร่นะเราก็จะรับเอาสิ่งต่า ง, างๆเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้มันทิ่มแทงเราต้องฉลาดนะฉลาดในการหลบเลี่ยงความทุกข์หลบเลี่ยงความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า หนีปัญหานี้หนีหนีความลําบากหรือว่าหนีเสียงที่ดังหนีคําต่อว่าไม่มีทางหนีพ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะรับเราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยที่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้ต้องอาศัยความฉลาดที่ใจของเราก็มีมีเรื่องหนึ่งที่นะตมาคิดว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีนะ หลวงพ่อประสิทธวโรเนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดท่าใหญ่เปรตนะท่านมรณาภาพไปแล้ววัดท่ามใหญเปริตอยู่ที่ศรีราชาเกาะสีชังนะท่านไปบุกเบิกวัดท่าใหญเปริตตั้งแต่ยังเป็นวัดล้างตอนที่ไปบุกเบิกใหม่ๆเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักเล่นท้องถิ่นเพราะว่าเกาะสีชังสมัยนั้นมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะก็คนมีคงมีคนอยากจะฮุบที่ ทุกที่วัดนะพอเป็นวัดล้างพอหลวงพ่อท่านก็นมาบุกเบิกพัฒนาวัดล้างเนี่ยก็มีนักเรียนท้องถิ่นไม่พอใจก็หาทางกลัน่นแกล้งแล้วก็าเรียนแรงๆนะหลายอย่างรวมทั้งการด่าว่าด่าว่าด้วยถ้อยคําเสีย ห, หายบางทีพระ บ, บิณฑบาตก็เดินชนนะเรียกว่าทําให้พระทอ้อแต่ท่านก็ไม่ท้อนะจริงท่านก็คิดไม่อยากจะต่อเล่าต่อเทียงกับคนพวกนี้แต่ท่านก็คิด มองอีกแง่นึงว่ามันเป็นประโยชน์นะวัดนี้เป็นประโยชน์ต่อแม่ชีเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมทันก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่หวั่นไหวนะกับการต่อว่าการกลั่นแกล้งของคนเหล่านั้นเมื่อมีวันหนึ่งท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปเข้าไปในบ้านก็ผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่ง นักเรียนคนนั้นนี่ก็ได้โอกาสเลยนะหลวงพ่อมาถึงนี่เลยก็มาถึงถิ่นเลยก็ด่าเนะีด่าเซยเซ๊ยหายเลยนะหลวงพ่อท่านเนี่ยแทนที่จะทําหูทวน ล, ลมหรือว่าด่ากลับด้วยความโกรธนะท่านปล่าท่านเดินไปที่เดินไปหาผู้ชายคนนั้นไปถึงท่านก็เขย่าแขนมึงด่าใคร ม, มึงด่าใครนะท่านถามคนนั้นตอบ ก็ด่ามึงนะสินะพูดกับพานะด่ามึงนะสิท่านยิ้มเลยนะอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกัน <c oughs> ท่านก็เดินไปเลยนะนั่งงงเลยตรงว่ากูด่าใครวะคนะือท <c oughs> ่านไม่รับเนะี่ยท่านก็มองเออเขาด่ามึงเขาไม่ได้ด่ากูนะท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดมีศิลปะนะในการที่ไม่ไปรับเอาความทุกมาเล่นงานตัวเอง ความทุกข์นี่จริงๆมันก็เหมือนกับก้อนหินนะก้อนหินถ้าเราวางไว้บนพื้นเนี่ยหรือถ้าเราปล่อยให้มันอยู่บนพื้นเนี่เราไม่เราไม่เราไม่รู้สึกอะไรหรอกก้อนหินมันหนักต่อเมื่ อ, อไงต่อเมื่อเราแบกนะก้อนหินหนักต่อเมื่อเราแบกและในเมื่อมันหนักเราแบกไปทําไมก็ปล่อยสินะเราทุกข์เพราะแบกนะไม่ใช่เพราะอะไรเลยเราทุกข์เพราะแบกเราทุกข์เพราะยึดนะบทสวดมนะั่นที่เราสวดกันเนี่ยมีบทนึ่งก็บอกว่าเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนัก ขันต่างหากเป็นของหนักเน่าการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะเราแบกนะที่เราทุกข์เพราะเราแบกถ้าไม่อยากทุกข์ก็ง่ายดเดียคือปล่อยนะปล่อยนี่ปล่อยที่ไหนปล่อยที่ใจแล้วที่ไปแบกเพราะอะเพราะลืมตัวนะพูดไปแล้วเมื่อวานว่าเราลืมตัวเราก็เลยทุกข์นะปล่อยให้ความปวดเข้ามาความทุกข์ด้วยแล้แลวเราก็ไปแบกความทุกข์ไว้เพราะความลืมตัวให้ลืมตัวเพื่อมีมีสติ นะไม่มีความสึกตัวไม่กลับมาดูใจของเราจาไม่ไกตกตามที่เรามีสติมีความสึกตัวเรากลับมาดูใจแล้วก็รู้แล้วโอ้อเราทุกข์เพราะแบบไว้แท้ๆเมื่อรู้ชันนี้มันปล่อยเองเลยนะผลที่ได้คือความสบายนะอย่างที่ตัดที่พุทยอดตัดไว้แล้วนะว่ายาพิษเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเราก็เพราะมือมีแผลนะถ้ามือเราไม่มีแผล ยาพิษก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยถ้าใจเราไม่มีแผลหรือใจเราที่ใจเราไม่เผลอไปยึดเข้ามันก็ไม่มีความทุกข์ใดๆที่จะมาะทับถมจิตใจเราคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบพระ